เหมือนจะศึกษาะธรรมเนี่ยลองปล่อยใจสปล่อยจิตปล่อยใจแปับเดียวแล้วลองไปคุยลืมตัวไปเป็นเจ้ามองสองชั่วโมองเยคยเป็นไหมล้ะบางทีเราอ้าวตายหมดเลยศีลสมาธิปัญญาต้องมานั่งเลี้ยงใหม่เลยฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องตรึกถึงคุณของพระเจ้าพระพุทธบรมศ า, าสดาเป็นศาสดาเป็นยอดธงเป็นธงชยัยเป็นนายฝูง เป็นผู้ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าทรงเป็นผู้นําไปข้างหน้าเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นดุดปฏิพเป็นปฏิบเลยแหละเป็นผู้สูงสุดกว่าศาตร์สองท้ที่ตั้นกัปลาณาบอกว่าในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเราควรจะศึกษากันในพุทธคุณต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าในเก้าประการเนี่ยน ว, วัฏ า, าเนี่ยเ้าประการก็คือเก้าชนิด วัสุธาก็คือแผ่นดินเป็นปฐพีท่านบอกว่าสุธาขณเ น, นีท้องฟ้าคืออากาศท่านบอกว่าเทวโลกและพรหมโลกข้านั่นนีข้าหันาจะแก่กล่าวไว้โดยไม่หยุดนะี่ยไม่มีหยุดด้วยหัวข้อแห่งคุณของพระเจ้าไม่ใช่น้อยเนี่ยสักเลทั้งสิน้นก็คือในสหศาสารสีโลกธาตุก็คือติทิเวก็ในหมู่ไตรภพ ติภาเวก็คือตรภพการมาภพรูปมาภพรูประภ พ, ะพหมู่มนุษย์และพรมเนี่ยในโลกธาตุหนึ่งหนึ่งดุดน้ำมันที่เขารดลงบนพื้นมหาสมุทรวิสตาก็คือแผ่ไปแล้วเรียรายโดยทั่วๆวไปทีนี้เวลามาเจอภารนาคุณของพระเจ้ามีอาหารแต่คุณเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยท่านก็ภารนาบอกว่าเยปิดเยปิดสเตเนี่ยของพระบรมศาสาเหล่านั้นชั้นใดเนี่ย เป็นต้นบอกว่าในบรรดาคุณเหล่านั้นว่าพุทธคุณที่ไม่พึงคิดไม่พึงรู้ไม่พึงเปรียบเทียบไม่พึงกล่าวของพระบรมศาสดาเหล่านั้นแม้ใดมีอยู่คําว่าไม่พึงคิดไม่พึงไม่พึงรู้เนี่ยไม่พึงกล่าวในที่นี้หมายความว่าเป็นจำนวนนะบอกว่าคิดไม่หมดแล้วก็รู้ไม่หมดแล้วก็เปรียบเทียบไม่ได้กล่าวยังไงก็ไม่หมดนี่แหละ แต่ไม่ใช่ว่าปุโรชนแล้วไม่ยอมคิดถึงคุณของพระเจ้าไม่ยอมกล่าวคุณของพระเจ้าไม่ยอมสรรเสริญไม่ยอมเปรียบเทียบคุณของพระเจ้าหมดสิทธิเลยในการที่จะเจริญพุทธานุสติเพราะพราะคุณนั้นบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์กว่าทั้งหมดบริสุทธิ์กว่าหรือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่ายิ่งกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยท่านกล่าวบอกว่าทองคาและแก้วมณีอันเป็นอวิญญาณนทรัพย์ในโลกเนี่ยที่นายช่างล้อมหลายครั้งทําให้บริสุทธิ์ ชาวโลกสมมุติว่าเป็นทองที่บริสุทธิ์ในโลกเนะพรหมที่อยู่ในทัชั้นสุท้าว่าทั้งหลายในบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์กว่าทองคํำไหมบริสุทธิ์กว่าทองคำํำภาษาลิบุตรและพระพโมคขลาลนะเป็นต้นบริสุทธิ์กว่าพรหมที่อยู่ในชั้นสุทาา้ายว่าไหมพระปจเจ้ากับพระเจ้าบริสุทธิ์กว่าภาษาลิบุตรไหมเนี่ยเห็นไหมที่รู้แจ้งสัจจะด้วยตนเองเนี่ย นั่นบริสุทธิ์กาภาษาลิบุลและพะโมกขลานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวบริสุทธิ์กว่าพระปเจกาพระพุทธเจ้าตั้งร้อยลูกพันลูกใครๆที่บริสุทธิ์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมไม่มีอย่างนี้ก็ลายวิธีคิดวิกิคิดจะเห็นความบริสุทธิ์ของท่านก็เอาทองคามาวัดก่อบางทีบางแห่งท่านเอารัตตนาเห็นไหมเอาตั้งแต่นี่นแหละสาวิญญาณนะครับลัตนะอวิญญารัตตนา รัตนะที่มีวิญ ญ, ญาณกับรัตนที่ไม่มีวิญญาณกับอะไรหรือบอกรัตนที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยรัตนที่มีวิญญาณมีสุดกว่าใช่ไหมที่เนบดารัตนะที่มีวิญญาณก็แยกเป็นสองนี่เดรชารัตน์กับมนุษย์สรัตน์เนี่ยก็แยกอีกทีเลยเนี่ยอ้าระหว่างเดรชาลันกับมนุษย์ไหนไปใส่ใส่ไปมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์รัตน์ก็ไปใส่ไปเดรชาลัตน์ก็แยกเนี่ยเดรชารัตน์กับกช้างมงกลม้าช้างแก้วม้าแก้วพวกนี้เดรชารัตน์นะ โอ้ยเจ็เป็นรัตนะที่ฝึกมาดีแล้วเป็นอาชาในแ่สู้มนุษย์ทำไมนะมนุษย์จะยังไม่แยกเป็นสองเลยใช่ไหมถ้าแยากยางไงมนุษย์จะยากเป็นสองเป็นอิทธิรัตนะกับปุริสารัตนะเอาใครเปรตกันโอ้โหเห็นไมเนี้ยเปรตทำไมทำตัวไม่ก็เปรตนี้ไม่ได้ชีม่ะอย่างนี้เสรตนะเปรตก่ออิทธิรัตนะ การได้บุรุษเพศเนี่ยใหม่ยายเลยเนี่ยมาจากบุญ น, น, เนัเนี่ยใช่ไหมเนี่ยประเสริฐแล้วที่นี้บรรดาุริสารตนาก็แยกสองเลยเป็นอาคาริกะกับอนาคาริกะรัตนะเห็นไหมรัตนะที่คลองเรือนกับรัตนะที่ไม่คลองเรือน ร, รัตนะที่ไม่คลองเรือนก็ประเสริฐกว่ารัตนะที่ครองเรือนถึงแม้รัตนะที่ครองเรือนจะเป็นพระโดาาสดาบันสราธานาการเนี่ยแต่ก็ไม่ประเสริฐเท่ากับอนาคา เห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกอนาคารัตนะผู้ประเสริฐเดินั้นเนี่ยไม่มีเรือนคนไม่มีเรือนในประเสริฐเขาเรียกอนาคาริกาภเขาแยกยังทีนี้บรรดาอนาคาริการัตนาก็แยกเป็นสองนี่ไหมแยกยังไงดีเสกขารัตนาก็อาเสกขารันนะแยกเป็นเออผู้ไม่คลองเรือนที่เป็นพระเสกขะใช่ไหมผู้ไม่คลองเรือนที่เป็นพระอรหันต์ในบรรดาเสกขาดในอาเสกขารัตนาก็แยกมัเป็นสองแยกยังไง แยกงยงไงดีอเศขารัตน์เนี่ยก็แยกเป็นสาวการัตน์กับปเจการัตน์ไงใช่ไหมสาวการรัตน์กับปเจการัตน์ที่เป็นอเศขารูคลเป็นบ้าหลานเนี่ยปเจการัตน์ก็ปเจกร์แกไม่ใช่ที่ธรรมดาปเจการัตน์ต่างๆเหล่านี้เป็นพุทธะอย่านีน้ก็มาแยกใช้คําว่าพุทธะพุทธะก็แยกเป็นสองปเจกพุทธะก็ทำมาแลนะ้วดรัตน์ ฉะนั้นสัมมาสัมพุทธรัตนะประเสริฐกว่ารัตนะทั้งหลายทุงที่ได้กล่าที่พูดถึงด้านบริสุทธิ์ถ้าเอาน่ยทองนเงินตังมั่งเห็นก็ตั้งเลยนะทองที่ในช่างทองเขาหลอมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันที่บริสุทธิ์มากทองอ้นั้นถดีบริสุทธิ์ชาวโลกเขาสมมติบริสุทธิ์แต่ชื่อสุดบริสุทธิ์เท่าสุดท้ายว่าเถอะพรมเนี้ยในสุดท้ายว่าเถอพรมชั้นนั้นก็บริสุทธิ์กว่า สัตยาว่าสพพรมทั้งหลายก็สู้ภาษาริบุตรพุทธมกขลานะไม่ได้ภาษาริบุตรพุทธมกขลานะก็สู้พระปเจกพระรัชกาพระปเจกพระรัชกาก็บริสุทธิ์เท่าพระสัมมาสูพเวรเจ้าที่บริสุทธิ์กว่าพระปเจกพระรัชกาทั้งร้อยองค์พันองศรีองค์เนี่ยบริสุทธิ์กว่านั้ตรงนี้ก็พิจารณาพระรัชกาลนั้นพระองค์เดียวบริสุทธิ์กว่าพระปเจกพระรัชกาทั้งหลายร้อยหลายพันเนี่ยนะใครที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระผู้มีพระเจ้านั้นไม่มีเลยนั้นบางนี้ไม่วาตค ท่านใช้คำว่าหีสัตว์ไปใช้ในอาตว่าหีเพราะคือเพราะเหตุที่เกียรติคุณของพระพุทธเจ้านั้นปรากฏแล้วเป็นอเนกนานประการอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสิบสหสีโลกธ า, าตุรวบรวมย่อกล่าวไว้ในเก้าบทแสดงให้เห็นชัดนะว่าสัตว์โลกทั้งหลายในจักรวาลต่างๆที่รู้คุณนะ เขาสารเสริญคุณของพระพุทธเจ้าลองคิดดูนะว่าตอนที่พุทธเจ้าตัดทเนี่ยเทวดามารพร้อมเลยเท่ า, าทไหร่ที่นับถือแล้วท่านเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่กันเพียบหมดนี่ทุกวันนี้ท่านเห็นพฤติกรรมการกระทําของเราท่านทั้งหลายหมดเลยเนียรู้ความคิดเรารู้การกระทําเราเห็นเรากําลังตั้งใจฟังธรรมหรือไม่ตั้งใจฟังธรรมเห็นเรานอบน้อทมทำหรือไม่นอบน้อมพระธรรม เห็นเราใคร่ควรว่าทำหรือไม่ใคร่ควรว่าทำเนี่ยท่านจะรู้วาละจิตของสัตว์โลกเป็นอเนกนับประมาณนี้นะฉะนั้นต้องบอกว่าทําดีเนี่ยเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญมันเป็นอย่างนั้นคอยเราทําให้ถูกเถอถ้าทำไม่ชั่วเออทาชั่วเนี่ยนะเทวดาก็ตาหนิเทวดาก็ตาหนิพรหมก็ตาหนิงั้นเราจะไปคิดว่าโอ้ไม่มีใครรู้อย่าไปคิดอย่างนั้น บุคคลที่มีตาดีทั้งหลายมีเยอะแต่เราไม่ค่อยเห็นเราไม่เห็นเนี่ยนะถ้าเราเห็นเนี่ยอเราเห็นนึกผไม่ได้เลยนะมีคนคอยจ้องมองเราอยู่เนะี่ยสัตว์บุรุษทั้งหลายเนี่ยปรากฏในที่ใกล้ใกล้พุทเจ้านะฉะนก็แต่ละเสินอิทิพิศโสภะกวาทางสัมมาสัมพุทโธที่ชอบการสวดอย่างภาษาภาษาคล้ายๆ รังกาหรือศีรังกาหรืออินเดียฟังแล้วมันได้อัคครลเนียใช่หมเวลาท่านสาธยายเนี่ ย, ยทีเราฟังป๊อปรูปภาษาใกล้เคียงที่ที่ดูแล้วฟังแล้วอัตถะมันถูกอย่างเวลาเราสวดอิทีปิโสบควาอารหังสัมมาเนี ย, เยไม่ไกลเท่าไหร่นะ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมบุตโตวิจาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิรูอานุตตโรปุริสัตถมาราธีสัตดาเดวมนุสานังบุตโตภควาตี ฟังดนะแค่ขึ้นหน้าโมยหน้าสตนโมตัสสะบัคคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบคคาวะโตอาระหะโต สัมมาสัมพุทธาสาวนโมทัสสะมะขาวาโตอาระห์โตสัมมาสัมพุทธาสาวบุษฐานะระังกัจจามินามังสระนังกัจจามิ สังฆ์ตะระนังขัตฉามีดุริยามปีพุทธังสระนังขัตฉามีดุริยามปีดำมังตระนังขัตฉามีดุริยามปีสังฆังสระนัง ขจามีตติยามปีพุทธังสระนังขจามีตติยามปีดัมมังสรนังขจามีตติยมปีสังขังสรนังขจามีใมเวลาสวดนี่แปลกจริงนะ ใจเราเนึกถึงปกติก็สวดลักษณะเดียวกันเนี่ยเฉพาะทานองของต้องอีกแทบหนึ่งฟังทาให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามาไม่ว่าจะหยิบบทไหนมาสวดนะก็แปลกมากเวลาสวดออกทานองลักษณะอย่างนี้แล้วจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนสื่อสารเหมือนใจเราน้อมว่าพระพุทธเจ้าเหมือนแรงดึงดูดขึ้งข้างอย่างนี้อันนี้ก็ ก, ก็ก็สาธยา อันนั้นคือการคุณของพระเจ้าอย่างนั้นที่บอกอีตีปิโสบักขวาอะระหังสัมมาสัมบธโที่จริงแต่ละศัพท์แต่ละคำเนี่ยความหมายอักถะจะมีอยู่วเวราเวลาตรวดว่าอีตีปิโสมัคขวาอะระหังสัมมาสัมบูโธ วิจ า, จารณสัมปันโนสุขโตโรกวิดูอนุตตรโรปุริสดะอมมสารีสาธาเดวมนุตสานังบุตโดภควาทีนี่าก า, ารกล่าวพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยการหนึ่ง ด้วยความเอ็นดูด้วยความอนุค่าะแก่ผู้ฟังทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยท่านก็บอกบอกว่าการแสดงพุทธคุณมีอรันตคุณก้าประการเป็นต้นท่านก็บอกว่าเออเราท่านทั้งหลายก็ต้องปฏิญญาณเม้นพระเถราจารย์ทั้งหลายที่ท่านรจนาคําสอนท่านก็ท่านก็ตั้งปฏิญญา ว, ว่าเราจะกล่าวตั้งแต่การเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพุทธเจ้าบอกว่า ฝ่ายตามหมาบุรุษนั้นทรงเกิดแล้วในโลกทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสปราศจากความหวังตัทรูรทอมโดยเฉพาะโดยชอบเนะทรงมีจักรุรอบค้อบทรงก้าวล่วงโอคาคือกาโมคาก็โอค า, อคาทิโถคาวิชโชคาด้วยวิ ช, ชาและจารนะที่ทรงกระทำให้บริบูรณ์แล้วสเสด็จไปแล้วโดยชอบสเสด็จไปดีแล้วทรงปราศจากการกาหนดแล้วฉะนั้นตามหมาบุรุษเนี่ยทรงทราบโลกนี้และโลกอื่น ทรงเป็นสรารถีที่ไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าในสัตว์ที่ควรฝึกได้ได้ทรงกระทํากิตของพระรมศาสดาผู้เสด็จผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นแล้วทรงเป็นผู้มีโชคและก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะเออในคาถาต่างๆเหล่านั้นจากอักษรเนี่ยนะในคำว่าโสจ่าเนี่ยฝ่ายนั้นเนี่ย คือส่องเนื้อความที่วิเศษของพระหมาระหาบุรุษคือของพระเจ้าเนี่ยผู้มีคุณอันเทวดาและพร้อมทั้งหลายเก่าชมเชยนี่เนี่ยอิทาชาโตทรงเกิดแล้วในในโลกนี้พระเจ้าเกิดแล้วเนี่ยโลกมีสามเนาะขันธ์โลกการอุบัติเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของท่านอุบัติเกิดขึ้นแล้วนั่นคือขันธน์เขาเรียกว่าขันธ์คือว่าสังขารสังขารและโลกอุบัติเกิดขึ้น สัตวตโลกนะท่านเป็นพระโคติสัตว์ท่านไม่ใช่เป็นสัตว์อย่างเราท่านทั้งหลายสัตว์อย่างเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่คล้องคล้องอยู่ในวัตตะคล้องอยู่ในตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็ติดคล้องอยู่ในวัตุกรรมกิเลสกามนี่แหละเป็นตัวทําให้รึงรัดทำให้สัตว์ทั้งหลายติดคล้องอยู่เออเราออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจของตนเองไม่ได้ก็เพราะว่ามียึดตาหูจมูกเล่นกายใจของบุคคลอยู่อีกเยอะไปหมดนลยนะ ใช่ไหมถ้าเราจะเอาสาตัตว์ตัวหนึ่งมาเลี้ยงเรายัางยึดมันเลยใช่ไหมจะลองดูดิแค่เราเลี้ยงสตัตว์ตัวนี้ก็ติดแต่ไม่ก่อนนี่นะมันมาไม่ได้เลี้ยงนะมันมาอยู่เองเป็นแมวเนะมันมาอยู่ข้างนอกอะ่ะแต่มันก็คอยต้อนรับทุกวันทุกวันต้อนรับทุกวันทุกวันคือมันประหลาดอนะ่ะเราไม่ให้อาหารมันเลยนะ มันก็ไม่ว่าวมันขอมานอนเฝ้าทุกมาต้อนเราแล้วถ้าเปิดใครเปิดประตูปุ๊บมันจะวิ่งเข้ามาวิ่งมาเบียดเสด็จเนี่มันจะมานอนเฉยอยู่เนี่ยเราก็สังเกตมันเน่ยเถ้าใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเทยืนเตรียมหยิบของเพราะมันจะไ ป, ไปกัดกัดผ้าดึงไม่ให้หยิบเนี่ยไม่ให้เคลื่อนของแม่ย้ายของในเนี่ยตอนนี้จะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่ตั้งทุนทหารแท้ ใคเห็นก็หูยท่านเลี้ยงไว้ท่านเลี้ยงไว้โอกยยังได้ยังงั้นพระไม่ควนเรียงโอมันแสนรู้ขนาดนี้คิดอยู่ถ้าเปิดประตูไปปัป๊บก็ไปนอนฝังประตูท่าหมาหรืออะไรต่างๆแมวตรวไหนหรือสัตว์อะไรจะเข้ามาก็คอยตอบให้นะเขาตบสองมือเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊บมันร้องยาไปหมดเลยเนจนจนพ้ะจนพ้าโลกนี้ต้องถ่ายโลกเข้าไว้เลย แล้วตั้งชื่อก็ปุ๋ยโอโอแปลกแล้วก็เข <_ S 1> าก็<ๆ><ๆ>อยู่งั้นเนะละเราก็เลยเอาปล่อยเพร <_ S 1> าะเขาไม่มารบ ก, กวนเลยเนะี่ยอาหารอรต่างเขาไม่รบกวนเขาไม่รบกวนบางทีเราก็ไปหยดหยอดให้ข้างนอกเขาไปกินข้างนอกกินเสร็จไม่เลยเนี่ยเคยเข้าม า, าไทยก็ได้นะี่นี่นะต้องคิดดยที่จเจอแล้วยบบ่อมประหลาดประหลาดแท้แล้วไปก็คอยเฝ้าอยู่นั่นเนอะ พรว่าล็อกประตูแล้วก็เป้าหน้าประตูหมาดีกว่าเล้นปอบนี้เดียวมัน <c oughs> บ่นเล่นเดี๋ยวเนรุตกระโดดไปยุก แ, แต่ว่าจริงๆก็คือว่านั่นแหละเป็นที่ตั้งของตัณหามันมีอยู่ตอนหนึ่ง ม, มาเราสังเกตเรื่อยๆว่าอย่างไงตอนเขาจะตายอยี่ยเขาไม่เคยเขาเขาไม่เคยถ่ายวันนั้นแนหะเขาถ่ายสายกุลทั้งนี้พระมีพระที่อยู่ด้วยโอ้ตำแหน่งมันโอ้โหเนี่ย โอหดูเหมือนเขาเสียใจเขาไปเลยตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเจอกขาอีกเลยผลปรากฏว่าไปเจอซากเขาที่เขาไปตายนั่นเขาจะตายก็้วเขาไปตายข้างนอกเขาไม่มาตายมีคือเขาวิ่งออกไม่ทันไงเขาตอนนั้นเขาใกล้จะตายแล้วเขาป่วยมากทองเขาเสียแล้วมันนึกเออเออเออเนี่ยาบยาศาสตร์นี่ก็ตายแล้วต่อมาเอาหมาไปวิญญาณบ่าเนี่ยมันตามมา แล้วก็ไม่หยิบวิ่งเป้าหน้าเป้าหลังเป้าหน้าเป้าหลังแต่ก็คล้าก็ไม่ได้มันบางทีนี่นะนอนยีกุลเองห้องนั้นเน่ยมันก็ไปตะกุยตะกุยให้รู้ว่ามันนอนเป้าตรงนั้นนะเนื่องเขากเราโยงบอนนี่นะมันมาเป้าตรงนั้นเ่ะร้องหน่อยพอเราเปิดประตูเออเออแค่นี้นะมันก็นอนตรงนั้นแล้วไม่เคยให้อาหารนะคนอื่นเขให้แต่มันมาเป้าตรงนี้นะครับต่อมาอยู่ได้ปีสองปีก็ตาย่างเงียนะ ถ้าเขีนมาเหมือนโอ้โหนี่ถ้าคาราว่าเจอกกเลยรักตายแล้วเห็นไหมเออมาโอ้โหไม่ได้ไปพกพันไม่ได้ไปพบพันไม่ได้กี่พวกใครเห็นใครอะไรต่างโอ้โหทำไมรู้ขนาดนั้นถ้าชี้นี่นะบอกว่าไม่เคยฝึกมันนะบอกไปเลยไปเลยนี่นะมันจะวิ่งไปแล้ววิ่งไปไปเสร็จก็ไปนอนมองอยู่ ไ, ไกล แล้วก็ค่อยกระดึกบกัดดุ๊บคานตายมาดีนิดนี้น้องคิดดูดิคนจะลักมันไหอย่างงี้นบางทีมันคล้ายๆว่าเราบอกว่าไปเนี้ยาไม่เอานี่ยมาอยู่แถวนี้ไม่เอานี่มันวิ่งไปแล้ววิ่งไปเบสเซนต์ก็ไปขายก็ไปมงแล้วก็ก่อยคานกรุบกรุบกรุบมาแล้วแกล้งบทีไม่เห็นนะแล้วมันเออไอตัวนี้ประหลาดแท้ใครไปฝึกมันมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจออย่างนี้เราคิดอย่างไง สรรเสริญคุณเลยใช่ไหมเนี่ย้เห็นว่านี่ไงบอกโอ้โหสัมสัมไรเขาก็เคยเกิดก็อามามาเนี่ยมาก็ปินบาทาหารเหล้วก็เปงนะ่ายๆไวาง ไ, ไว้แต่วางไว้แบบแม่มปูกพันเนะี่ยเพราะว่าต้องไปเลี้ยงนห้มันด่ น, นี่ไม่ได้เลยเดีย๋ยติดมันตะกุยตะกุยอะไรย่าเงี้ยเพราะบางที่เราไม่ค่อยจะอยู่ไปนู้นมนี่มันก็อยู่ของมันนด้ แต่เพียงเมื่อเรากลับมาแล้วจะวิ่งมาหากันทีแต่มันไม่กล้ามาพัวพันว่าเราจะบอกมัน่ไม่เอาไม่เอามันก็จะมาอยู่ทางไกลๆแอเนั่นแหละคือโทษของการเกิดนี่แหลโทษของการเกิดไม่รู้มันเคยเป็นอะไรกันมาก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็ไม่รู้มันมันก็ไม่รู้เราเนี่ยนะต่างคนต่างก็ไม่รู้นี่มองหัุมพ่าก็พอพอนั่นคเพราะเราก็ไม่มียาณะไรอย่างรู้เลยเลยใช่ไหม หรืมันเกี่ยวข้องเลยหรือมันจะหิวข้าวมันเราก็ไม่รู้เรื่อแก้อาใจเองงั้นมันจะมีอะไรยังไม่ได้ผูกพันผูกพันเลยเราก็เปสันติทานเองงั้นเองอะไรเงี้ยไม่ไปคิดแทนมันไม่ได้เรื่องแบบนเพียงแค่รู้ว่านั่นแหละคือการเกิดการเกิดคิดมากไปก็แค่นั้นไปดิ้นต่างปัหาแต่เราวิจัยเห็นว่านี่ไงทุกใช่ไหมแม้แต่เราอยู่กับตาของยหมุนลิ้นกายใจก็อยากออกทะแย่แล้วใช่ไหมแต่ปริมาณของการบ่มเพราะอินทรีย์ังไม่พอทีนยังออกไม่ได้ก็ทนทุกอยู่กับมานนี้แหละ ในกเาเรวาระที่มันแสบยันเน่าเปือยนี่แหละแสนที่จะดูแลยากที่สุดมันมันอ่อนปวกเปียกยิ่งกว่าใข่นะไขยุงยังใช้จะงอยปากเจาะไม่เข้าใช่ไหมผิวของเรานี่ยุงตัวเล็กๆเจาะก็เข้าลิ้นตัวเล็กๆเจาะก็เข้าร่างกายเนี่ยมันเปราะบางมากเปราะบางยิ่งกว่าไข่นก็เห็นโทษตรงนั้นนะนะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นด้วยทรงเป็นสารถีนันที่ได้กล่าว ที่จะฝึกผู้บุคคลอื่นไม่มีใครยิ่งไปกว่าทำกิจของพระศาสดาที่ประเสริฐ ด, ดังต้นดังที่จะเป็นต้นดังที่จะกล่าวพระเจ้านั้นประกอบไปได้วยคุณทั้งหลายเทวดาและพรหมก็พากันชมเชยสรรเสริญคุณของพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นเทวดาหรือเป็นท้าสกา่าเนี่ยเป็นมารยิ่งกว่ามารเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมเพระพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นมารไม่ได้เป็นพรหม แต่ท่านนั้นยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระ อ, องค์ทรงอาศัยพระเจ้าสุดโทเทนะเนีประสูตจากพระคันของพระนางมหามายาเทวีในมนืดโลกในกรุงกัเวลพัทใช่ไหมในมาชิ ม, มประเทศในชมพูทวีปในจักรวาลเนี้ยอันเป็นจักรวาลที่เป็นมงคลเป็นมงคลจักรวาลเนี้นี่เขาเรียกมงคลจักรวาลนะเป็นจักรวาลที่มีพระพุทธเจ้ามุบัตเกิดขึ้นสำหรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะมาประสูตและเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยในหนึ่งมื่นโลกจักรวาลทั้งสิน้น พากันมาทําหน้าที่รับใช้ในขณะที่พวกรมศาสดาประสูตรเองต้องคิดดูที่เทวดานะันต์หมื่นจักรวาลพากันมารับใช้พากันมาบูชามายิ่งใหญ่กันแบนั้นนะแล้วก็พระหมหาบุรุษนั้นย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าแล้วก็บรื้อศรีหาหนาตประชาชนในชมพูทวีตทั้งสิ้นเทวดาและครหมในหมื่นจักรวาล รู้ว่าพระมหาบรุษนี้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นฉะนั้นใครๆไม่พึงสงสัยในพระองค์เลยไม่พึงสงสัยว่าภูตเจ้าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระมหาบรุษนั้นทรงประสูติแล้วอย่างนี้ก็สวยสุขในราชสมบัติดุจบุตรนี่สวยสุขอันเป็นทิพย์ในปราสาทสามหลังอันสมควรแก่ฤดูสามฤดมูดเนี่ยทรงสแสดงภาวะที่ไม่สิ้นกิเลสแก่ชาวโลกด้วยกามาสุขขากานโยกก็สแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนั้นพระมหาบรุษนี้ยังมีกิเลสใช่ไหม ตองก็ติดแน่นในวัตถุกรรมนี่นะคือการประพฤตินตนให้ครัวพันหมกมุ่นอยู่ในกาลมาสุข ต, ตรงนี้แสดงให้เหตุชตัดในเวลาเราศึกษาประวัติของพระมหาบรุษในปัจจุบันนะพบตอนที่ตั้งแต่ประสูตรมานี่นะได้รับการบำรุมบำเลอ ม, มาอย่างดีตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นมานี่นะจากสนมกำนันจากข้าราชบริพารทั้งหลายต่างๆคอยดูแลเนี่ยนะ และพระ อ, องค์ก็ได้รับเสวยความสุขจากครูปารมสาตารมกันดามลมและสาลมและปัดทะบรมนี่นะที่ปลนเปลอยพระ อ, องค์อย่างหาประมาณไม่ได้และในที่สุดจริงปพอโตขึ้นมาก็ได้ปราสามดืดดูดืดดูร้อนหนาวและปวดนี่นะแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่กับสนุนอรสนรมทั้งสี่หม่นี่นะแล้วต่อมาพออายุ16ก็ได้ทรงอภิเศกมิตต้นนั้นนี่ลองคิดดูที่ได้รับการบํารุงบิ่เลยอย่างนั้นตอนนั้นท่านแสดงอะไรแสดงกา ม, มัสุ ข, ขลริการโยก การที่พระ อ, องค์นั้นนะ่ะยังมีกิเลสแล้วก็หมกมุ่นอยู่ในการมาสุขทอดพระเนตรเห็นปุปพานิมิตทั้งสี่ประการใช่ไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณนะหนี่ยินปุปพานิมิตทีนี้ปุปพานิมิตที่พระ อ, องค์เห็นแค่นั้นก็เพียงพออัตถาของปุปพานิมิตทั้งหลายเนี่ยเราท่านทั้งหลายเห็นกันทุกวันแต่เจาะไม่ถึง เนี่ยมันเป็นอะไรมันดึงเจาะไม่ถึงใช่ไหมเราเห็นคนแก่ฟัน่นฟันเพื่อนเพือนหลงหลงเลอะเลอะเื อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเราก็เห็นแต่เราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะเจออาะอัฐาของความแก่ได้สักทีเลยเนี่ยนะว่าอัฐาของความแก่เหล่านั้นทําไมไม่สะดุ้งสะเทือนว่าสภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยในฐานะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราท่านทั้งหลายญาติมิตร หรือสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายในในมนรรมความเป็นสัตว์โลกเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเห็นแล้วแทนที่จะได้ปุพภนิมิตกับได้ความติดข้องในนิมิตที่กำลังปรากฏอันนั้นคือปุพภานิมิตทำไมเขาจึงเรียกปุกพพะเขาเรียกเหตุนะปุพพะเนี่ยปุพภานิมิตแต่คือนิมิตเครื่องบอกเหตุเครื่องบอกเหตุ ที่ยิ่ปลุกพาร์ทนี่มันทั้งหมดนะเนะอันนี้มิตแต่คือเครื่องหมายแปลว่าเขียนนิมิตชิ้นนี้แล้วเนี่ยกระจายไปเห็นนิมิตทั้งหมดได้ไหมเออไปเห็นนิมิตทั้งหมดได้ไหมมันมันกระจายได้ไหมเนี่ยเราเห็นคนแก่งงกเงินหลงลืมเละื่อนเนี่ยนะฟันเฟือนเลื่อนเลอะต่างต่างอย่างเนี้ย ไอความแก่ที่มันกําลังปรากฏในสรีละขันเขียนชัดก็คือเห็นในรูปขันถ้าเห็นนามธรรมาแก่ก็คือความฟันเปือนเรืนเลอะทั้งหลายนั่นแหละความชราของนามธรรมาแต่ก่อนสติปัญญาสัพพัญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งเราท่านทั้งหลายลองคิดพิจารณาอย่างนี้ทําไมปุพานิมิตข้อแรกมันไม่ปรากฏในใจเราให้ชัดแล้วมันทําไมไม่กระจายไปในปุพานิมิตทั้งหลายของสัพสัตทั้งหลายด้วย ว่าความแก่ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ในทุกกระแสขันทุกกระแสอายตนะทุกกระแสธาตุที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสังหาและโลกที่สมมุติว่าเป็นสัตว์โลกที่อาศัยภาชนะโลกนี้เป็นไปอยู่ใช่ไหมโลกสามปรากฏกระท่านเหล่านั้นเห็นปุปปานิมิตของความแก่ไหมถ้าเห็นกระแสของขันธ า, า, าติเยตนะมีความแก่งอมของอินทรีย์ทั้งหลายมีความชราภาตของอินทรีย์ทั้งหลายมีความไม่สาวรของอินทรีย์ทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้น ใช่ไหมตาก็ฟ้าฟางหูก็เริ่มจะได้ยินเสียงอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดจมูกก็เริ่มสูดดมกินอะไรได้ไม่ค่อยดีแล้วลิ้นก็รับรสอาหารได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมกายทั้งหลายสลีละทั้งหลายก็เหยียวย่นใช่ไหมสายตาก็ฟ้าฟาฟงสลีละต่างๆก็คโค้งอแล้วก็ฟันเฟือนเรือนเลอะ สมองก็เริ่มเล็กลงเล็กลงใช่ไหมเพราะสมองข้างในเนี่ยมันมันมันเล็กลงเนี่ยฟอรมันเริ่มจะฟอลงอะ่ะสภาพของความจามํำจิตทั้งๆ้งที่จะต้องอาศัยสมองเป็นไปอยู่เนี่ยมันเกี่ยวพันกันทั้ง ห, หัตถยาวัตถุเชื่อมโยงกับตัวสมองนั่นแหละทั้งทั้งที่จิตเจสิ่จะเป็นไปอยู่นั่นแหละไม่ใช่ความคิดช้าลงเนี่ย จิตเจสิกมันก็เป็นสภา พ, พเพรมันรวดเร็วอยู่อย่างนั้นแหละแต่ความช้าของสตรีละมันก็เริ่มเหนื่อยแต่ความเหนือยแต่ความต้องการเร็วความต้องการเร็วมากจะเอาให้เร็วจะเอาให้ใหได้เพราะมันสั่งสมความคิดมาอ ย, ย่างยาวนานแล้วแต่สตรีลา ม, มันไม่ไหวแล้วนั่นแหละหลงก็จะยังนี่นแหละหลงแล้วเด็กจะไปบอกว่าหลงเนี่ย มันไม่ยอมลหรอกแต่นั่นแหละหลงแล้วเข้าใจ ย, ยังอะไรนะธรรมศาสตว์โลกหลงใช่ไหมอ๋อไม่ได้เจริญเมตตาเป็นอัตยาสายใช่ไหมให้สังเกตทีอารมเมตตาสุขขังสุปติสุขขังปฏิภูษตินปาระกลางสบีนางปัสสติมนุษสานางปียโยโหติอมนุษสานางปียโยติเดวตารคตินาสักอคีวาวิสังวาสทั้งวากรมติตุกระทั้งจิตตังสมาธิยติ สัมุขวันโนวิปัสสิธอาสา ม, มุนโโหไงอสา ม, มุนโโหแปลว่าไม่หลงถ้าจเจริญเมตตาเจริญพุทธคุณจะไม่หลงตายนี่ก็ท่านไม่ได้จเจริญในสุดก็หลงอ้าวตรงนี้คืออัฏฐานอัฏฐาของแก่อัฏฐานของความแก่ตอนนี้ล่ะความแก่ก็อยู่ในเราก็ <Yeah. S 1> าอย่าท <Yeah. S 1> ําลยเพียงแต่เรายัางไม่ถึงได้เดี๋ยวก็ถึง ใช่ไหมไอ้กรณีที่เราแก่ไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งสังเวคะของบุคคลอื่นคนอื่นมามองเห็นก็โอ้โหแต่ก่อนเห็นเรียนว่าทำแหมทำป ร, ริญญาคล่องเดี๋ยวนี้เลิกเรียนไปแล้วใช่ไหมไมาแต่ก่อนเห็นบรรยายทำแกวแก้วเร็วขนานแต่เดี๋ยวนี้นอนหลงอยู่บนเตียงเนี่ยใช่ไหมมีเชือกผูกล่ามไว้ด้วยเนี่ามาเนี่ยโดนเชือกล่ามตนมัดติดกับเตียงเลยมัดเไว้ เขาไอเวีานามกล้ามากเขาคงมัดติดเขาวมัดทาตัวติดตัวว่าธรรมารู้สึกตัวนึกใจโอ้โหนี่ชัดเลยเนี่ยเคยไหมละ่ะเคยไหมนั่นแหละในสังสารวัฏจะโดนมัดกันมั่รู้เท่าไรแล้วถ้าอรรมานี่เห็นมิตอันี้โอ้ยธรรมาอรรมาเคยอยู่กับคนแก่หลง คือมีอยู่ห้องเข้าคนเต็มที่ไปไว้ในห้องเดียวกันอนามาก็บไพรมุมหนึ่งไพรมาก็ดูอยู่งี้เป็นเดือนนึกคิดดูอนามาก็ถูกล็อกไวท้ทั้งทั้งที่อาการมันหายทุกเวทนาแต่เขาก็ล็อกเขาไว้เป็นคําสั่งหมอม <c oughs> ันคิดดูดิแล้วเราจะต้องถูกล็อกไว้อย่างนั้นถูกล็อกมัดทนได้ไหมเอาคิดยังไงอันนี้ก็าจะถูกมัด ทำไมาไม่เคกล้า เ, า, เาบางเรื่องให้บอกตรงนีคืออยิง่งเงี้ยใช่ไหมเขาถือว่าหนึ่งเป็นคนไม่มีญาติมาดูแลเป็นคนป่วยไม่มีเงินถ้าเขาจะมีญาติมาคอยดูแลมาแรงจั ง, งเขาเป็นนักงานก็มีน้อ ย, อยใช่ไหมเขาต้องมัดไว้ก่อนก็กลัวจะเดินตกหน้าตุงหน้าต่างไปเขาบอกเนี่อันตรายด้วยร้องต้องเกลี้ยงตัวดิจากพูอที่ เอาพุปฏิบัติทำอย่างนี้จะไปโดนมัดอยู่กับเตียงอยู่งั้นเลยถูกล็อกมัดแน่นอยู่งั้นเลยแล้วก็ต้องมองดูอีกคนหนึ่งที่ว่าเดินถูกมัดเหมือนกันเลยก็ล่ามือเขามาที่ขาแล้วก็เดินทั้งถ่ายบ่วงทั้งอะไรบ้งพูดนี้รู้เรื่องมือแต่มาถูกล็อกอยู่บนเตียงลองคิดดูทีเอ้าท่านทั้งหลายะคิดยังไงเนี่ยนื่อยใจรู้ใจผ่านเหนี่อรู้ทรมานเนี่ย นี่แหละนี่แหละคือสังสารวะัตรอยากเกิดดีนะเห็นไหมทีนี้นั่นมาก็ไปเจอไปพิจารณาดูโอ้โหถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นถ้าทุกข์ไม่เห็นอย่างนี้ยโอ้รู้จะเห็นเมืออ่อไหร่นะใช่ไหมจ๊ะถามว่าเคยเจอแบบนี้ไหมแต่เนี่สังสารวัตเนี่ยเราระลึกไม่ได้ถึงเคยเจอไง เอางี้อยู่ในท้องให้โดนมัดไหมเนี่ยมากกว่าธรรมแาล้วเท่าเตกันเลยหมายความว่ามากกว่าตอนนี้ธรรมาถูกล็อกไปถึงเดือนดิแต่คนอยู่ในท้องเก้าเดือนธรรมะอยู่สิคุณคิดดูดูอยู่ในท้องก็ลําบากชีวิตงานอรรมาเนี่ยไม่รู้กรรมหนักห น, กหนาสหัสัอะไรแล้วจริงนะ ถ้าใครอยากจะรู้ว่ากรรมชั่วส่งผลยังไงเนี่ยมาคุยกันมาเนี่ยไม่ใช่คุยเพื่อความเย อ, อย่ยงิ่งคุยรู้ว่าตอนออกมาเนี่ยลกกัพันยมแม่ก็ลกกัพันพันที่ขาพันขาเขาก็พากันบอกว่านี่สงสัยติดคบเด็กคนนีย มาผมไม่ได้คู่ติดตั้งแต่ละวัดก็แต่ก่อนกนะ็อ่านอ่านอักิัะไรองนี้ไม่ออกหรอกยอมแม่เล่าอีกบางแล้วนี่แปลกมากลูกคนไหนคนไหนออกอยู่ในท้องก่อนนะออกมากรกพันขาแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนคนเงินจ้อนะอะไรก็เหมือ น, นทุบมา มันมานี้ทุกข์มาในท่องเลยเพรออกมามันก็หาอะไรันทุกข์ล้เกินเนี่ยนะมันทุกข์มากลองคิดดูดิว่าเออเนี่ยงั้นความทุกข์เนี่ยถ้ามันไม่เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาทาไมจะเสียหายแค่ไหนใช่ไหมแต่ความทุกข์มันงั้นเวลาเวลาเวลาเราท่านทั้งหลายมาคิดดูดิความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีเนี่ยมันต้องประสบพบเจอแน่นอน งงต่อให้มีสถานะอย่างไรเถอะที่สุดจริงๆก็น่นหละไปทรมานนะ น, น, ามานี้เนี่ยในในอัศวิราชกรรมเนี่ยพุทธหมดแล้วถ้าเล่านิ่นหนังยาวเลยเออประหลาดแท้กรรมนิวิจิตแท้หาจนไม่มีที่เะพหาเจาะจนจะไม่มีที่จะเจาะ จ, จน จนพวกสายหัวไม่จะเจาะตรงไหนแล้วถ้าเจาะมาี่เจาะแตกเจาะแตกนหเจาะเส้นตรงไหนจะแตกเดือบแตกเดือเล har, Auf, ar, ือดทะลักแตกเดือเลือดทะลักแป๊บเดียวหายเออประหลาดไปเนี่ยด้วยนะคือก็จะต้องมีเจาะใหม่ใช่ไหมทำอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เดียวหายอะแทลนี่ยป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็หายมาดูภาพเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องาแทงใหมแทงให้เจ็บอยู่งั้นเลยกรรมอะไรเมื่ขนาดยัยังเหมือนตัดคอแล้วก็ตัดฟื้นมาใหม่ตัดคอก็ฟื้นมาใหามให่แต่คุณต้องโดนตัดบ่อยๆเคยเป็นอย่างนี้ น, นี่กรรมนี่ฮะกวใช่ ถ้าไปนั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยสมมตินะถ้ามีการเข็นอาจจะมาเข้าห้องวัดถัดเนี่ยอาจจะมาม อ, มองดูหมอมองดูเลยมันมาแล้วแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวลยแล้วทุกลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นแล้วบางทีเนี่ยไม่ง่ายยาถึงห้าเชื่อไหมมีมียอมคนหนึ่งก็เปน็นอาจารย์หมอเขามาแนะนำคุณเอกเขาเนี่ย ทำการผ่าตัดมาเป็นพันๆรายยังไม่เคยเจอเคสพิสดารอนท่านถามพิสดารเนี่ยผ่าแล้วผ่าอีก้ผ่าแปดครั้งผ่าแขนอะไรใช้ม่เจนเกไม่อยากผ่าเกมไม่อยากผ่าผมสงสารท่านจริงว่าผมไม่สงสารท่านจริง พวกนี้เลยนะโง่สงสารจริงปาดจริงว่าตท่านบอกท่านมีของดีเล ย, ยว่านิมนต์ไปคิโลมีของดีมันมีของดีมีกรรมไม่ดีคร้บบอกแล้วแล้วเวลาเวลาที่เจออกุศลมีบาปให้พ้นะี่เนี่ยในขณะเดียวกันกุศลก็มาเยังมากเล ย, ดยเดี๋ยวนี้ปาดมากจะมาคู่กันเลยสลับกันในนเทีย สลับกันเลย ต, ตอนที่ถูกทรมานที่สุดก็จะมีคนมาช่วยแต่ถ้าตอนที่แบบทรมานธรรมดาเอาล้อไปก่อนอนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเอยนี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นมนาะดูตรงนี้ไหมดูในกะเลวราในในกาเลวราในสขันอัญญาวาคือ น, นี่แหละเป็นที่ดูบุญดูบาตจริงๆดูผลบุญผล บ, บาปจริงๆดูตรงเนี้ย ท่านทั้งหลายก็เจอประสบแลเล่นงานอยู่ตลอดแต่มันให้ผลแบบไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ต่างรูปแบบกันเอไวตามความวิจิตของกรรมนั้นนะนั้นในฐานะที่เราท่านทั้งหลายมันยังไม่พ้นจากการที่จะต้องรับผลของกรรมและยังไม่พ้นจากการที่จะต้องทำกรรมใหม่เลนอยู่ตลอวลาเนี่ยเรามองอย่างนี้อ่มันเป็นเคสเล็กๆเท่านั้นนะมันเป็นตัวอย่างเบาๆไป น, นั้นนะที่เรามาพูดเนี่ยแต่ในสังสารวัฏเราท่านทั้งหลายเคยเจ็บปวดเป็นมาอย่างนัก และในอนาคตนะถ้ายังทำลายโคตรบุญชนไม่ได้นะแล้วเราจะไปเจ็บปวดกันอีกอย่างยาวนานมากในสังสารวัตที่พูดมาเนี่ยยกัวอใ <etry. S 1> หญ่เลยกจะได้อย่าอยู่เลยอย่าคิดอยู่เลยในสังสารวัตรอย่าไปเที่ยวชื่นชมมันเลยขันท่าระยะนะเ น, นี่ยมันนำมาซึ่งความเจ็บปวดนำมาซึ่งความเสียหายแ น, น่นอนถ้าไม่จเจริญพุทธคุณไม่ตรึกใครควรคุณของพระเจ้าให้ตองแทนนี่เราจะเสียหายมาก แะ่ันพระบริจาที่บอกว่าพระองค์เนี่ยนะก็ทรงเห็นปุพานิมิตคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายนี่อัฐาของความแก่ความเจ็บและความตายท่านทั้งหลายยังไม่ที่ไม่เห็นให้สังเกตดูนะว่าแม้ใ้เทวทูตสุดเวลาบอกว่าเห็นคนเกิดไหมย่อมบางก็ถาม เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายก็มเป็นต้นนิมิตของหรือเทวาทูตเนี่ยก็คือโทษที่บอกเหตุนี่ยนะคนที่บอกเหตุเนี่ยของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นนิมิตท่านทั้งหลายให้นึกอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นคือนิมิตคือเครื่องบอกเหตุเครื่องเตือนใจทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้คิด อา่านอัฐาของนิมิตนี้ให้ออกถ้าอา่านอัฐาของนิมิตนี้ไม่ออกแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาเขาเรียกคนมัวเมาคนตมมาดคนขาดสติคนอยู่แต่ว่าสักหายใจทิ้งไปวันวันดันั้นดีใช่ไหมนี่เราจะอ่านยังไงดที่เราเห็นเนี่ยเราจะอ่านอัฐานั้นให้ยังไงบางทีเรามักจะคิดบอกว่าอุ้ยเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงเวลานเนี่ยเนี่ย แค่นั้ตรงนี้แต่พระมาหาบุรุษให้สังเกตดูไหมคนที่คิดในเรื่องนี้มามากเห็นครั้งเดียวพอไหมพอแล้วเรานี่เห็นมาไม่รู้กี่เท่าไหรแล้วเนี่ยลูกตาสองข้างเราเนี่ยใจใจของเราที่ไข่ค ว, ควรความเกิดแก่เกิดตายมาในกี่ครั้งแล้วเนี่ยเยอะไหมเยอะแล้วแต่ทำไมไม่เห็นน่ะไม่เห็นเลยใช่ไหมเหตุที่ไม่เห็นก็เพราะว่าเรานั้นสั่งสมมานน้องเราเลยดีบใคร่ควรได้เลย ตอนนี้มันยังมอคิดได้ไปเจาะนานๆคิดตึกนานๆใข้ควรบ่อยๆเดี๋ยวว่าออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรากฏจริงๆนลยนตึกเลยใข้ควรเลยไข้ควรใข้ควรอ่ะมุมนี้ไม่เจอมุมนั้นนี่นะเจาะเจอดทุกมุมอ่ะมันมันจะต้องมีรูให้เจาะเข้าไปให้ได้อาถาตรงนั้ น, นอ่ะเจาะที่ตาที่หูที่จมูกอะไรเจาะที่อื่นไม่รู้ใช้ความคิดวิ่งจอดนี่ยนะ วิ่งไล่จอบปุ๊บปบปปเนี่ยาคิดกันอ่นัคิดออกเลยทาอะไรก็ทำได้ทาไมเรจะอ่านอัถฐานิโมกขอ่นถาิออกแล้วไม่ใช่หยุดแค่นั้นวิจัยต่อวิจัยต่อวิจัยต่อใจยะวิจัยไปเรื่อยๆอ๋อเอาคาสอนพระเจ้าทุกครั้งที่วิจัยคิดถึงฝ่ายับของพระเจ้าจริงแท้มั้ยจริงแท้ไม่แฝงผ่านเงี้ยให้ถึงนิสกุณของพระเจ้าก็ถ้าอย่างนี้ก็จะได้คุณของพระเจ้ามากดีขึ้นนี่ก็ ส่งคนเยอะเวลาเลยหมดเวลาแล้วกี่โมงเหลือเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวสายก็ะยานหเหลยนี่ก็เดี๋ยวสวดมงต์กนสวดพุทธคุณดีกว่านะสวดธรรมดาหรือสวดธํนองธรรมดารธรรนอง namo tathagata wato arahato s a m a s a m b u d d h a sa namo tathagata wato arahato s a m a s a m b u d d h a sa นาโอตัสสัมภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัตฉามิธรรมังสระนังคัตฉามิ สังฆสรนังคัดฌามีทุติยามปีพุทธังสรนังคัดฌามีทุติยามปีดำมังสรนังคัดฌามีทุติยามปีสังฆสรนัง ขจามีตติยามเปี๊ยะพุทธังสระนังขัจามีตติยามเปี๊ยะธรรมังสระนังขจามีอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมบุ द्ध วิจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโดอนุตตรพุริสัมัสรีสธเวมนุสสานังพุทธภควา สวาคาโภภควตาธรมโมสันติทิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิกโกโอปะนายโกปจตังเวทิตาโมวิญโยหิตี สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุจปาติปันโนภ a ค a วะโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาทิทังจาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุพคลาเอสา a คาวโตสาวกสังโฆ อาหูเนยโยปะหูเนยโยดักคีเนยโยอัญชริกะรามิโย อ, อนุตรังปุญญาเ a เทตังลโลกัสสาตีสาธุสาธุสาธุ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 ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรทันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรำเนิดทั้งสี่มีแขนห้าแขนมีขันแ ข, น, ข, น, ขนเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดี สัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วเขาเหล่า น, นั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่า น, นั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วาาจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจนถึงพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงานของสัตว์หล่านั้นจงสําเร็จเถอดสาวุรบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนขอให้ข้าพเจ้าทํามให้แจ้งโลกุตระทำก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภัพอยู่นางต้องท่องเที่ยวไปในวัดตาสงสารขอให้ข้าพเจ้า พึงได้สมควรได้ครอบสัตว์บุรุษได้พืัได้พืชถักตาควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบปอย่างข้าพเจ้าไม่พึงประกอบปกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงครอบมิตรชั่วพึงครอบแก่บัณฑิตทุกเมือ่อ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบอกก่อเกิดแห่งคุณคือศรัทธาและสติริบโวตปะความเพียรและขันติพึงอเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงาไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงม ง, งายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบา ย, ยาความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัธยาศัยขอให้ยานของข้าพเจ้า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 เมื่อ น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากตามอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้แพทยบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีล ม, มีศีลรงไว้ซึ่งพระาศาสนาของพระาศาสดาข อ, าาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก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 โอทังสัพวันตังอิวาตสวาคาโตวตาัโมัสปฏิปันโนวโตสวาสังโสังัง